ตอนจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมโก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมเราทุกคนนะก็เป็นอีกเสาหนึ่งนะพวกครูรู้แต่ว่าเวลามันผ่าน นก่อนออกมาก็จำได้อยู่ว่าเป็นวันเสาร์บังเคินมีกิจต้องไปดูที่ปฏิทินนะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิก็ขอได้พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะที่เรากำลังดำเนินอยู่มาช่วงหลังนี้มีอะไรสับส น, นวุ่นวายทั้งทางโลก สังคมโลกภัยไข้เจ็บแล้วก็ในสังคมพุทธศาสนาเราเองทะเลาะบอกแย้งกันเถียงกันเธอถูกชันผิดนะมีการขัดแย้งนันเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าโลกสังคมทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยบ่มเพาะให้เราเกิดวิตกจริตเราจะกลัวเสียเปรียบเราจะกลัวแพ้นะทุกคนก็เลยต่อสู้ เพื่อให้ตัวเองเป็นคนชนะก็เลยเกิดวิตกเริต์ขึ้นกลายว่านะไม่เฉพาะคนไทยนะคนทั้งโลกไม่เชื่อถือกันละ่ะบางทีฝรั่งนีมือจับกันอยู่ชิกแฮนแต่ข้างในเนี่ยคิดจะเอาเปรียบกั น, นมีแต่รูปลักษ์ภายนอกที่เรายกมือไหว้กันมือจับกันนะแต่ข้างในเนี่ยมันเล่าร้อนมันเกิดความกังวลไม่มีใครมนุษย์เราตอนนี้ไม่ไม่เชื่อถือกัน แล้วก็ตั้งใจที่จะห้ำหั่นห้ามหั่นกันตอนนี้ก็เกิดผลของมันก็คือว่าการทำลายล้างมันมากขึ้นสิ่งวแวดล้อมไม่สมดุลต่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องดินน้ำลมไฟกําลังเกิดอาการที่ไม่ปกติแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจิตใจคนเราล้อมกำลังเกิดขึ้นนะถ้าเรานิ่งๆเราจะเห็นยี่สิบปีที่พระครูอยู่ตรงนี้นะเหมือนน้าที่มันนิ่งอยู่ ใบไม้ใบเดียวตกลงมาหรือฝุ่นละอองเม็ดหนึ่งตกลงมาบนผิวน้ําเนี่ยมันจะเห็นแรงกระเพื่อมมันเราก็ว่าเราสัมผัสอารมณ์คลื่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นทุกวันนั้นมันมีคลื่นอะไรเท่านั้นเองนะคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นคนทะเลาะกันคลื่นด่ากันคลื่นเวรขึ้นกัรที่พรอครัวสัมผัสได้ส่วนมากจะเกี่ยวกับคลื่นเวรขึ้นกัรนะเขาก็ทําหน้าที่เขา เหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำนี่แหละไม่ต้องใช้พลังงานนะเราจะสูงขึ้นบนแท่งนี่เราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันสูงมันขึ้นคือจะขึ้นที่สูงนี่ต้องใช้พลังไอ้ไหลลงที่ต่ำนี่ไม่ต้องเลยมันไหลเองของมันกระแสกรรมก็ไหลไปเรื่อยๆไหลทุกวันไหลทุกวันนะก็แต่วกมาพูดถึงเรื่องคําว่าการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราเนี่ย ในสายพุทธเราเนี่ยปฏิบัติธรรมโดยการไปฝึกสมาธิการไปฝึกเจริญสติเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเออเป็นการเข้าใจผิด น, นะอันนั้นเป็นการไปเรียนรู้ไปฝึกวิชาเหมือนเราเล่นกีฬาอะไรสักอย่า ง, หงให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ไปฝึกเพื่อให้สมาธิตัวสมาธิมันแข็งแรงตัวสติแข็งแรง ถ้าจบอยู่แค่นั้นแล้วเนี่ยเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้นะมันไม่ได้เข้าถึงธรรมนะมันเป็นการฝึกวิชาับสมาธินะฝึกวิชาจเจริญให้สติเรามากขึ้นเหมือนเราออกกำลังกายเราแข็งแรงแล้วไม่ได้ใช้ความแข็งแรงของเราเนี่ยไปเดินทางเลยเนี่ยนะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะตรงนี้คือทานศีลภาวนาต้องเอาสมาธิที่แข็งแรงของเราเอาสติที่แข็งแรงกับเราเอาปัญญาที่เราแข็งแรงเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็คือตัวปัญญาเห็นชอบเนี่ยไปกระทําในสิ่งที่มันชอบไปสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นคือปฏิบัติธรรมไอไปฝึกวิชานุวิชานี่มันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเป็นการเข้าขอดไปฝึก เป็นวิชาวิชาทําให้สมาธิแข็งแรงขึ้นสติแข็งแรงขึ้นแต่บังเอิญถ้าเป็นโจรเนี่ยเขาก็ใช้ความแข็งแรงของสมาธิของสติแล้วก็ปัญญาเขาต้องมีเขาต้องขับรถเป็นเขาต้องอะไรเป็นในหละักไปป้นนะอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วกนั้นมันไม่ชอบนะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าปฏิบัติธรรมมันมีหลายหลากหลายผู้เจ้าก็ยกตัวอย่างหลากหลายนะอย่างทางเซนเขาเนี่ย เขาจะใช้พวกซาเซนเนี่ยเขาเรียกว่าซาโตริอย่างญี่ปุ่นคือคือเขาใช้ว่าบรรลุฉับพันนะบรรลุฉับพันก็คือจิตเขาเนี่ยในขณะที่จิตเขาปล่อยวางได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สู่สภาวะเดิมของเขาเขาเห็นธรรมเลยเนี่ยเขาเรียกว่าซาโตรินะมันก็มาตรงกับคําสอนพระเจ้าที่ข้อที่กายสามเรื่องกายสามนะกายสามเนี่ย สตรีร่กายของเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นร่างกายมนุษย์ขึ้นมานมีความรู้สึกถ้าไม่มีวิญญาณธาตุด้วยเนี่ยดินน้ําลมไฟมันไม่มีความรู้สึกไอ้ตัวรู้สึกก็คือวิญญาณธาตุตัวจิตวิญญาณเราเนี่ยนะเห็นแต่ว่าส่วนที่อยู่กับกายนั้นเป็นแค่วิญญาณหกนะวิญญาณหเนี่ยอยู่ที่ตาเราเรียกว่าจักษุวิญญาณมันไปอยู่ที่หูมันก็ทําหน้าที่เป็นโสตวิญญาณ มาอยู่ที่จมูกเรียกว่าคานะวิญญาณเป็นตัวรับรู้ผินมาอยู่ที่ลิ้ น, นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้รสแล้วก็อยู่ที่ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยที่เรามีความรู้สึกร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่ากายวิญญาณนะส่วนมโนวิญญาณนั้นมันอยู่ที่ใจมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์แต่มมนต้องอาศัยหัวใจเป็นตัวรับรู้อารมณ์หูนี่ต้องอาศัย ติ่งหูประสาทหูพวกนี้รับรู้เสียงนะต้องประสานกันถ้าถ้าไม่ประสานกันเนี่ยผัดสักหรือหือหื อ, อ, อ, อการกระทบผัดสัการรับรู้ไม่เกิดขึ้นนะเหมือนเรานอนหลับเสนิทแล้วเนี่ยมีเสียงเด็กร้องไห้บางทีเราไม่ได้ยินในขณะนั้นวิญญาณหูเขาไม่ตื่นนะเราไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนคนหูหนวกกันนะนะแต่ถ้าวิญญาณหูมันตื่นอยู่มันก็รับรู้เสียงแต่มันไม่รู้ว่าเสียงอะไร มันต้องส่งไปให้เว็บไซต์ของจิตก็คือตัวโมโนวิญญาณเข้าไปในฮา r ดดินะเราก็จะรู้ว่าเสียงในแดงก็หลังก็รู้ว่าเสียงมิสเรสอันนี้คือขระนวนการทำงานมนนอันนี้เรียกว่าสรีระกายส่วนที่พยากาเนี่ยไม่ใช่มโนวิญญาณมันเข้าไปอีกนะมันต้องผ่านมานัดวิญญาณวิญญาณเจ็บตัวนี้อยู่ในสันสันอยู่ในจิตสำนึก แล้วก็ผ่านเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกนตัวนั้นจะเรียกว่าอริยวิญญาณหรืออะไรวิญญาณเนี่ยแล้วแล้วแต่มันเป็นชื่อสมมุติเฉยๆวิญญาณแปดวิญญาณแปดเข้าไปทำไมตัวนั้นแหละคือตัวจิตจริงๆนะแต่ภาษาที่บคกปูพูดเนี่ยถ้าเกิดมาเจอทางเถรวาเราที่ไปเรียนอะไรพูดถึงเรื่องวิญญาณผมเองจะเกิดแรงต้านทันทีนะ เราเบียงเบียงเบียงเบียงเรามาสร้างแรงเวียงเนี่ยนะเรามาสร้างแรงเวียงเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่จะปลดปล่อยไอ้จิตเราเนี่ยให้มันอิสระจากใจนะียภาษาไทยก็ดีนะเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจนแยกไม่ออกเห็นไหมจิตใจมันเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถ้าสองอันนี้ไม่ร่วมกันจริงๆเรารู้อารมณ์ไม่ได้เห็นไหมไอ้จิตมันเกาะ อ, อยู่ที่ใจนะมโนวิญญาณมันเกาะ อ, อยู่ตรงนั้น แต่ในมโนวิญญาณซ้อนลงไปมันก็มีมนัฑวิญญาณอริยะวิญญาณอยู่ตัวนี้เป็นกล่องบันทึกโปรแกรมทีนี้มันไปก่อยไว้อยู่ที่ใจนะมันไม่อิสระมันทําหน้าที่ไม่ได้มันไปยึดติดอยู่กับใจคําว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมนหลุดพ้นไปไหนหลุดพ้นออกมาจากแรงดึงของอารมณ์อยากที่ใจหลุดพ้นจากสภาวะปรุงแต่งเข้าไปสู่สภาวะเดิมของมันทีนี้เราก็มาสร้างแรงวบี่ยง เมื่อแรงเบี่ยงนี้เบี่ยงเต็มที่แล้วเนี่ยนะที่พ่อครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเฮลิคอปเตอร์มันห่อได้เนี่ยเพราะแรงเหบี่ยงถ้ามันเบี่ยงเบาๆนี่มันยังห่อไม่ได้เห็นไหมแรงเบี่ยงมันมันสู้แรงดึงดูดของโลกไม่ได้มันต้องเบี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเมื่อมันแรงขึ้นเต็มที่แรงเบี่ยงนั้นน่ะพลังมันมีมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันจะตัดกระแสแรงดึงดูดอ่มันเฮลิคอปเตอร์ก็ห่อได้จิตเราก็เหมือนกัน เมื่อเราเบียงมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันอิสระแล้วเนี่ยแรงดึงของสมองความคิดก็ดึงมันไม่ได้อารมณ์ที่ใจก็ดึงมันไม่ได้หัวใจพอมันเต้นครึนึงมันจะมีแรงดึงนะมันจะดึงกลับไปคืนถ้าแรงเบี่ยงเราไม่พอนี่ยเราจะดึงไปอยู่ที่ใจนะเหมือนฟ้าผ่าเปียนยนะประสาทหูดูดเสียงเข้ามาวิญญาณหูส่งมาให้มโนวิญญาณมากระทบใจตกใจ อาการตกใจเกิดขึ้นมาจิตก็มีความหรือบางคนเนี่หน้ามืดสลัไปเลยก็มีนะนะมันมันไปกระทบที่ใจทำให้ระบบการหายใจในเวลานั้นการเต้นของหัวใจไม่ปกตินะบางคนช็อกอย่างนี้นะนะคือเราตกใจตกใจเสียใจดีใจเศร้าใจอยู่ที่ใจหมดใจเป็นตัวรับรู้อารมณ์ทีนี้ถ้าเรามาปลดปล่อยให้จิตเนี่ยนะมันอิสระแล้วเนี่ยพอฟ้าผ่ามา เปี้ยงภาษาทูดูดเสียงเข้ามามันส่งม่ให้กระจิตตกจิตไม่ถึงใจไม่ตกใจ่ะไอการสะดุ้งหรือกระทบร่างกายเรามันจะไม่มีเห็นไมเขาเรียกว่าตกจิตไม่ตกใจสภ า, าวะอย่างนี้เนี่ยมันพอครูโดนตรวจสอบมาแรกๆอะแรกๆเราก็เห็นคำว่าเราก็เห็นเนี่ยกระบวนการนี้ทำไมเราไม่ตกใจอะไรเนี่ยนะ พราะนานๆเข้าเราก็เห็นว่ามันตกจิตไม่ตกใจภาษาน h i s ก็เกิดขึ้นจากเราเห็นสภาวะตรงนั้นบางคนว่าจิตหลุดพ้นมันหนีไปไหนที่มันออกจากร่างมันไปอยู่บนสวรรค์อะไรก็กลัวมากไม่กล้าปฏิบัติไม่ใช่นะมันหลุดพ้นจากความเป็นทาตของอารมณ์ที่ใจเขาอิสระแล้วเขาอิสร ะ, ะเขาก็อยู่แถวนี้แหละนะเวลาเราขับรถบางทีเขาไปอยู่ที่พวงมาลัยบางทีก็ไปอยู่ที่ขาที่มันเหยียบคันเร่งนะฮะมันมันไม่อยู่ที่ใจเลย เมื่อไม่อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยอะไรที่มากระทบปัสสาะเราทั้งตาหูจมูกดินกายแล้วมันจะตกจิตมันไม่ตกใจหัวใจเราไม่ต้องรับภาระหนัะที่เราเหนื่อยเหนื่อยทำงานเพราะเราเหนื่อยใจถ้าใช้จิตทําแล้วมันไม่มีเหนื่อยนะมันไม่มีเหนื่อยอารมณ์เหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจเพราะอยากเสร็จไวๆไอ้ตัวอยากเสร็จไวๆเนี่ยพอมันเสร็จช้าๆเนี่ยมันก็เหนื่อยใจนะมันเอาใจทําแต่ถ้าเอาจิตทําแล้วเนี่ยเราไม่เหนื่อย แล้วก็ทาใครก็ทำให้เราเกิดเวทนาไม่ได้เวทนานั้นเกิดขึ้นที่ใจอันนี้สภาวะที่มนันบุญพ้จากใจนะทีนี้ที่เราเบี่ยงเบียเ่ยงแล้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปสู่จิตในจิตนะเข้าไปสู่ทิพยากายเราต้องปล่อยวางสารีลากายก่อนร่างกายเราสมองเราใจเราเป็นสัลีลากายต้องเข้าไปสู่ทิพยากายนะทิพยากายก็คือจิตในจิตเข้าไปทำไม เข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนะจำไว้นะเข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสถ้ามันทำไมมันไม่ผ่งใสเพราะว่ามันมีกิเลสตัณหาอุปท า, านและ ก, กระแสะกรรมต่างๆที่เราเรียกว่าทําในธรรมเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะนะเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยในเว็บไซต์ของจิตเราเนะี่ยมีหลายโปรแกรมมากทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งอะไรกิเลสความเคยชินที่เราบ่มเพาะสัญญาต่างๆมาอยู่ในนั้น คณะสัญญาต่างๆกั้นบังอนัตตาจริงๆแล้วปกติเป็นอนัตตาอยู่แล้วจิตเดิมแท้เป็นพระพัสดุนะที่ที่บางบางสายที่เขาสอนแบบเซนเขาบอกว่านิพานมันมีอยู่แล้วนะพราะครูก็บอกมันมีอยู่ข้างในมันมีอยู่แล้ววางว่ามันมีอยู่แล้วะจิตเดิมแท้เป็นพระพัสดุอยู่แล้วเอปกติไม่ต้องไปฝึกวางฝึกอะไรมันมันมันวางเพราะมันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่รู้ มันไม่รู้ว่าเงินคืออะไรความรวยคืออะไรมันมันไม่มีความโลภใช่ไหมมันก็ไม่ไปยึดติดมันก็ไม่ต้องวางมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยจิตเราถูกปรุงแต่งแล้วมันถูกปรุงแต่งแล้วเพราะอะไรเพราะมันรู้ถึงว่าอยากเข้าใจนะคําว่ายานทัศนวิสุทธ์ตัวสูงสุดน่นทุกวันนี้เรามุ่งหายานทัศน์อยากจะมียานรู้เรื่องนั้นนะอันนั้นไม่ใช่ยานเป็นยานทัศน์แต่ยังไม่วิสุทธ์มันไม่บริสุทธิ์มันเป็นติดตัวรู้ นะเราไม่ปฏิบัติเพื่อเราอยากรู้อะไรเลยนะปฏิบัติเพื่อไม่อยากรู้อะไรเลยเวี <c oughs> ่ยงความรู้ที่งเบี่ยมยานทัจธรรมะทิ้งเมื่อยานทัศนะนั้นมันไม่มีแล้วเนี่ยมันจะวิสุทธ์เหมือนข้อกังขาวิตระนาวิสุทธ์เนี่ยนะเรามาขัดมันบ่อยๆแล้วในข้อกังขาเราจะหมดไปมันจะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ไปเข้าใจผิดว่าเราต้องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดยานทัศนะ แล้วก็ไปรู้ว่าลจิตคนอื่นแล้วก็ไปอวดรู้อวดเก่งกันเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายเรานะนะถ้าใครอวดว่าตัวเองรู้นั่นคนนั้นไม่รู้จริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้รู้มันยังเป็นหลงบวงยานศาสนะเข้าใจไหมไอคนที่รู้จริงๆไอนิพพานจริงๆเนี่ยมันไม่มีผู้รู้หรือสิ่งถูกรู้มันว่างจากความรู้ทั้งหมดทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเพราะเราไปรู้ เราไปรู้เราเลยไปชี้ถูกชี้ผิดชี้โน้ตไปสร้างนี่กรรมนะนี่แหละบางทีในทางโลกเราถูกสอนอีกแบบหนึง่งเราก็ไปถูกโปรแกรมรู้ตัวนั้นมันล็อกไว้เราก็ไปเข้าใจผิดก็เกิดเป็นอวิชชาขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยที่พระคูฝาพวกเราคงเดียวเท่านั้นแล้วเป็นคำที่สำคัญมากคือเหวี่ยงทิ้ง ตัวนี้ต้องเตือนสติตัวเองบ่อยๆนะอปัจจุบันก็เบี่ยงทิ้งพอเข้าไปในอดีตก็ไปเบี่ยงทิ้งไม่ใช่ไปหลงอดีไม่ใช่ไปหลงอดีอดนะบางทั้งเราสู้มันไม่ได้มันก็หลอกให้เราทําตามมันบ้างแต่ไม่ใช่ถูกต้องนะนะมันทําอะไรเลาะมันทําอะไรไม่ไปเกี่ยวกับการสร้างกรรมไม่ไปเบียนเบียนคนอื่นเนี่ยเราก็ให้มันแสดงออกแต่ไม่ใช่ว่าเราไปสนองมันหรือว่า เ, เราไปทาตามมันเราใช้ตรงนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการใช้สติเราเนี่ยไปรู้เท่าทันมันไม่ใช่เจริญสตินะเราไม่ได้เจริญสติเราใช้สติไปสักแต่ว่ารู้นะรู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปตามรู้ไม่ใช่ไปตามดูไอ้ตามรู้ตามดูเนี่ยก็เป็นวิธีที่ว่าเราเอากิเลสไปอยากรู้ธรรมะ เราอยากรู้เราก็ไปตามตามรู้เราอยากเห็นแล้วก็ไปตามดูไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นอย่ยังอยู่ในขั้นตอนพุกสติอยู่ฝึกเ ร, เราอยากรู้ปฏิบัติธรรมคือใช้สติใช้สมาธิไปเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่ไปตามรู้รู้ว่ามันเกิอดอะไรขึ้นเบี่ยงทิ้งเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรก็ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา เรารู้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังคือมันดำรงอยู่และยากนะไม่มีแน่นอนสิ่งอย่างดำรงอยู่ได้เป็นล้านล้านปีนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หลายนี่เรียกว่าทุกขังเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเรารู้อยู่แล้วนะแต่ทำไมเราวางไม่ลงทำไมเราวางไม่ลง เพราะเรามีตัวรู้ผิดมันดึงไว้อยู่ไอ้ตัวรู้ผิดก็คือตัวความรู้ซึ่งมีโลคขนหลงมันดึงไว้อยู่จริงๆแล้วนี่นิพานนี่ไม่ยากเลยนะที่พกครูบอกแค่วางแค่วางไม่เอกเดี๋ยวนี้ก็าบรรลุเดี๋ยวนี้ น, น, นะวางแล้วมันก็ว่างปกติมันว่างอยู่แล้วจิตเราไม่ต้องวางเลยนะ แต่มันผูกห่อหุ้ด้วยความรู้ผิดผูกกิเลสปัญหาอุปท า, านเนี่ยครอบก่อเหตุนะวิธีจะทําให้จิตว่างก็คือเวียงไม่เอกทิ้งเวียงทิ้งเดียรรเด๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้บรรลุหรอกนะมันมีอยู่แล้วแต่ภาษาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่มีอยู่มันถูกครอบงำด้วยความตกกบกความโลคความปวดความหลงกิเลสปัญหาอุปท า, านนะ เราเลยมาเวียงตัวนี้ทิ้งนะคือวางแล้วมันก็ว่างมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะจริงๆแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติทาอะไรที่ไหนปฏิบัติไปฝึกอะไรทั้งนั้นนะเพแต่ว่าบังเอิญเราติดบ่วงที่มันยึดติดแล้วเราวางไม่ลงไงมันพูดง่ายๆแต่มันทำได้ยากนะเรารู้แล้วอะไรก็ไม่ใช่เวียงทิ้งหมดไง พ่พูดมาหลายปีบอกดีก็เบี่ยงทิ้งชั่วก็เบี่ยงทิ้งขนาดเตือนเรื่อยๆนะพอเข้าไปสู่อารมณ์ค่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ข้าเก่งวิชานี้มากสามารถรู้วาลจิตคนสามารถสะกดจิตคนได้ที่นี้ไม่เหวี่ยงทิ้งแล้ะปอดมันไวแน่นเลยแล้วก็ไปสร้างกรรมใหม่อันนี้ที่บอกว่ากรรมซ้อนกรรมนั่นแหละแทนที่เราจะเข้าไปล้างหนี้กรรมเราไปถูกไอ้กรรมตัวนั้นเนะี่ะ สั่งให้เราไปสร้างกรรมใหม่เพราะเราไปหลงมันไงเพราะเราไปหลงนะจริงๆแล้วถ้าใครมี พ, พ่อครูเองผ่านตรงนั้นมาไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยนะก็ะแค่นั่นนะเราไม่เคยฝึกสมาธิมาจากไหนด้วยอยู่ๆก็เกิดอาการปึ้งฟังึ้งปั้งึ้งปัปงก็ระเบิดเลยพราะครูก็รู้ไงแต่ถ้า พ, พ่อครูบอกว่าให้ทําอย่างนี้นะทำแบบ พ, พ่อครูนั้นมันไม่เหมือนกันไง เป็นแต่ว่าถ้าใครทําได้เนี่ยวางเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงนิพพานเดี๋ยวนี้เพราะนิพพานมันไม่ได้เกิดขึ้นใหม่มันมีอยู่แล้วแต่เราวางอะไรวางความยึดมั่นถือมันที่เราปุ่มแต่ง ข, ขึ้นมาทีหลังเนี่ยวางเดียเด๋ยวนี้บรรลุเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปฝึกวิชาอะไรทั้งนั้นทุกวันนี้เราไปฝึกแต่วิชาให้มันแข็งแรงให้สมาธิแข็งแรงให้จิตแข็งแรงแต่ไม่ค่อยใช้สมาธิใช้จิตตัวนั้นมาเดินทาง นะจริงๆแล้วมักมีองค์แปดไม่การไม่ใช่ไปการฝึกสมาธิไม่ใช่ไปการฝึกเจริญสติไม่ใช่เลยเป็นการใช้สมาธิใช้สติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาวางความยึดมั่นถือมัน่นคือมาคือระวางไว้ลงพูดเลยบอกเบี่ยงทิ้งเวียนทิ้งเวียนทิ้งไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้บางทีความอยากของเราเนี่ยความรู้ผิดของเราเนี่ยมันเวี่ยงไม่ทิ้ง แล้วมันไม่เหวี่ยงด้วยเพราะว่ามันไปเจอของดีๆนะเราไปหลงติดมันไปติดสภาวะที่มันเก่งมันมียานทัศนะนะอย่างทุกวันนี้หนังสือขายดีเยอะๆนี่ก็คือการแก้กรรมบ้างการรู้วาลจิตคนอื่นรู้กรรมคนอื่นขายดีมากอันนี้เขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารมันมีอิทธิลิทธิปฏิหารมีจริงไม่มีจริงพอเหินเดินอากาศได้อะไรได้มันมีอยู่ แต่ผู้เจ้าไม่สนับสนุนมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์นะแล้วก็อาเทศนาปฏิหารเนี่ยมีจริงไม่มีจริงถ้าเราตั้งใจไปฝึกมันบางทีชาติหนึ่งก็ฝึกไม่หมดคนนี้ก็มีตรงนี้เนี่ยมันเป็นอนุสัยเดิมของเขามันเป็นจริตเดิมของเขามันเป็นบารมีมันเป็นว่าศาสนาเดิมที่เขาฝึกมาแล้วก็เกิดขึ้นกับเขามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้ายังไปหลงมันอยู่แล้วไปใช้มันบ่อยๆเนี่ย ผู้เจ้าไม่ ส, มส่งเสริมมันเป็นมันไม่เกี่ยวกับารคนทุกข์ทำให้คนนี่ไม่เข้มแข็งไม่เคยพึ่งตนเองมีอะไรก็ไปถามหมอดูไปถามคนที่เขามียานูไปให้เขากำหนดไปชีกรรมให้เราแล้วก็บอกให้เราไปทำบุญอย่างนั้นแก้เคราะ์ อ, อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นอุบายวิธีเอ่อทำให้เราสบายใจแค่นั้นเองนะผู้เจ้าไม่สนับสนุนนะนะ มันมีจริงอยู่แต่มันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์พระพรทธองค์ส่งเสริมอนุสาสนีปฏิหารคือสามารถเทศกระทุง้งหรือพูดให้เขาเกิดปัญญาได้เขาได้อะไรอะไรเขาได้ปัญญากับบ้านบางคนฟังปุ๊บปิ้งเดียวจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นทางมีเยอะเยอะแยนะถือเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วก็วางความยึดมั่นหรือมั่นได้นั่นแหละ คือสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์นะทีนี้นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยภาษาพูดนะที่มันสุขเนี่ยไม่ใช่มันมีแอร์มีมีเงินแสนล้านพันเออหมื่นล้านพันล้านแสนล้านอะไรเนี่ยนะไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยนิพพานจึงไม่ใช่อะไรเลยมันว่างจากความมีทั้งหมดมันไม่มีทุกข์ด้วยคือเป็น จะไม่เรียกว่าสภาว่าปุ๊ก็ไปติดบ่วงมันไม่ใช่สภาว่าอะไรจังนั้นมันเป็นจิตเดิมแท้เป็นบุพะสอนจิตเดิมแท้นี่มันยี่หานอยู่แล้วนะนะแต่ตอนนี้มันถูกปรุงแต่งับไอไอๆเรียกว่าสภาว่านี่เดี๋ยวก็มีคนแย้งอะไรอย่เขาเป็นว่าอความรู้สึกจิตปกติเนี่ยมันเป็นยี่หานอยู่แล้วมันเป็นยี่หานมันไม่มีอะไรเลยนะ แต่ตอนนี้เนี่ยเราดูกิเลสตัณหาอุปทานครอบคงำแล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรขึ้นมานะกระแสคำก้อนหนึ่งโปรแกรมสองโปรแกรมสาโปรแกรมบันทึกไว้เนีนั้นกลายเป็นคณะขึ้นมาเลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทุกอย่างกลายเป็นอุปทานขึ้นมาแม้กระทั่งเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่นะมันก็เป็นแค่อุปทานมันก็เป็นแค่อุปทาน เราไปสร้างบุญแล้วก็ไปติดบุญมันก็เกิดอุปทานขึ้นในจิตเราก็เป็นโปรแกรมหนึ่งเราก็ต้องไปรับผลบุญตรงนั้นเราก็รับผลบุญตรงนั้นนะเราไปสร้างบาปไว้จิตบันทึกไว้มันก็เกิดอุปทานขึ้นมาเราก็ต้องไปรับบาปตรงนั้นนะถ้าเราปฏิบัติแบบไหนก็ได้นี่นะปฏิบัติต้องปฏิบัตินะต้องดาเนินไม่ใช่ไปฝึกวิชานะ ไปฝุกวิชายิ่งเกิอดอุปทานขึ้นมามากขึ้นนะไปสแสวงธรรมะโดยเอากิเลสไปสแสวงเนี่ยมันมันไม่เห็นหรอกนะเพราะตัวธรรมะจริงๆเองเนี่ยตัวนิพพานเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีแดนไม่มีอะไรเราจะไปนิพพานเราจะไปเดินทางกี่ร้อยชาติกี่พันชาติก็ไปไม่ถึงนะมันไม่ใช่แดนแบบนั้นมันเป็นแค่ อ, อารมณ์ของจิต ซึ่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนั่นแหะสภาวะเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะก็เข้ามาหลักกายสามเมื่อกี้เนี่ยนะราวางสิริล่างกายเข้าไปทิพย์พระยากายทิพพระภูณเน้นเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะหลายคนปฏิบัติแล้วไปหลงในในอารมณ์อันเด็ดตรงนั้น่เราไม่ได้ไปไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเราไปส่งเสริมอารมณ์นั้น่ะไปยึดมั่นถือมั่นมันมากขึ้นมันขัดหลักการฮนะ แต่ถ้าเรามีสติเวียงทิ้งเวียงทิ้งละเออให้มันแสดงออกให้มันดําเนินแล้วเรารู้จักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปพิจารณาด้วยว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนอารมณ์สุขสักแต่ว่ารู้เวียงทิ้งอารมณ์ทุกข์สับรู้เวียงทิ้งมันลำว่าลันไล่ลำมันมันมันมันกิริยามันมีกรรมดีกรรมชั่วนะแล้วมันมีกิริยานะถ้าเราแบ่งจิตเราเป็นสามโพดังเนี่ยมันจะมีกุศลจิต ด้านหนึ่งอกุศลแจิตด้านหนึ่งล้วตรงการมันเป็นกิริยากิริยาที่จิตเคยไปก็เหมือนติดอย่างนึงก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีผลทางด้านบวกด้านลบมันเป็นกิริยาที่เราใช้แนวนั้นเน่ยมาดําเนินมากของเราเป็นวิธีเจริญสตินในอดีตนะเอาเป็นว่าอดีตเนี่ยเราเจริญสติมาเยอะมากเราเจริญสมาธิมาเยอะมากปัจจุบันนี้ไม่ต้องเจริญหรอก ใช้สติใช้สมาธิไปเจริญมากเลยเข้าไปเดินทางเลยนะมรรคผู้เจ้าก็ชี้ว่าให้เรียบร้อยแล้วว่าเออมันมีองค์แปดที่พรพ่อครูเคยเคยกล่าวไว้บ่อยๆนะตัวนี้คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยการเดินทางโดยการเดินทางนะเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่แล้วก็รู้ว่าว่างวางทุกขบรรลุเลยนิพพานก็เกิดขึ้นทันทีเลย แต่ทีนี้พลังปัญญาเรามันไม่พอไงก็เลยต้องมีการเดินทางเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นนะเ อ, อศีลสมาธิเนี่ยเอาไปใช้เลยเอาไปเดินทางเนี่ยเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อจิตมีปัญญาเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันก็จะวางเองผลมันก็คือนิพพานมันก็แสดงตัวนะแล้วปัญญาจริงๆแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็มีอยู่แล้วในนั้นอ่ะ จิตเดิมแท้เป็นประพัฒสอนมันมีปัญญาเต็มเปี่ยมเลยมันมีจนว่ามันมันถึงไม่โง่ที่จะไปยึดจิดไงแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามานั่งนับบ้าแล้วจุดเริ่มต้นมันเป็นประพัฒสอนแล้วแล้วทําไมมันถึงหลงมามันมีปัญญาแล้วถึงหลงมาสร้างเวรกรรมแล้วก็เกิดปุงแต่งขึ้นมาถ้าเราสาวไปมันเป็นอจินไตนะผู้เจ้าบอกว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับกาพ้นทุกข์อย่าไปเสียเวลามันมันแต่ละเคสแต่ละกรณีมันเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันนะ เอาเป็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันน่ละปัจจุบันนี้เราก็ดูแต่ว่าเออจิตเรามันติดบ่วงอะไรนะทั้งเรื่องปัจจุบันที่เราไปยึดติดกับเรื่องในอดีตที่เราไปยึดติดนะไม่มีแม้แต่หนึงอย่างไม่ใช่อุปทานนะบางท่านมาดูว่าอุปทานหรือเปล่าเนี่ยร้องไห้หัวเราะวิ่งไปกิ้งไปกิ้งมาอะไรอายเนี่ยก็บอกพระครูบอกถูกแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่อย่างไม่ใช่อุปทาน เรากำลังมาล้านอุปทานออกไม่ใช่เป็นหลงติด ท, ที่อุปทานนั้นนะอย่าไปหลงนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้รู้มากนะปฏิบัติเพื่อไม่เหลืออะไรเลยนะสุดท้ายถ้าตัวเราไม่มีแล้วไม่มีใครทุกข์ละนะทั้งหมดมันคือมีตัวเราเพราะจิตไปหลงติดก็สร้างตัวตนขึ้นมา ผูกใส่สัญญาเข้าไปหลายๆสัญญารวมกันเป็นคณะสัญญาความเป็นอนัตตาซึ่งมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันผูกห่อหุ้มด้วยอัตตาเราเลยไปหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะให้จำไว้เข้าไปในอารมณ์จิตแล้วมันมีประโยชน์แต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่มันจะเป็นโทษถ้ากระแสกรรมลูกนั้นมันโตๆลูกใหญ่ๆแล้วบังเอิญว่า กิเลสชาปัจจุบันเนี่ยเราก็ชอบอย่างนั้นด้วยมันจะถูกดึงเข้าไปเลยมันไม่เหวี่ยงเบนหรอมันจะไปต่อยอดให้มันไปลองวิชานะแล้วเผลอๆมาก็าเอาญาติธรรมด้วยกันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการลองวิชาเนี่ยอันนี้กรรมหนักนะบาปกรมเพราะปูถึงเตือนเป็นช่วงๆไม่ใช่ไม่พูดนะเตือนมาเป็นช่วงๆเตือนๆแล้วทีนี่ก็ลืมกันอีกเพราะว่ามันน่าหลงเลยเอาเป็นว่า นิพานนั้นน่ะไม่ได้อยู่ใกลตัวไม่ได้อยู่ใกล้ตัวต ว, วัดไม่ได้เลยมันไม่ได้ใกล้จนวัดได้กี่เซนติเมตรอะไรเนี่ยนะมันอยู่ในตัวเรานี่แหละมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนนะถ้าใครมีปัญญาจนวางเดียเด๋ยวนี้บรรลุ เ, เดี๋ยวนี้เห็นนิพานเดี๋ยวนี้มันแสดงตัวเดี๋ยวนี้นะ บางคนก็ปฏิบัตินะบบางทีจิตเดิมเราบางภาคเนี่ยเราเข้าถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะเออ่เราเข้าถึงวิมุตติญาณแล้วก็เข้าไปเติมอารมณ์นิพพานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราดำรงสภาวะนั้นไม่ได้เพราะว่ากระแสะกรรมยังไม่หมดหรือบารมียังไม่ถึงก็เหตุแล้วเราตายแล้วเรามาเกิดใหม่พุกมันก็ให้เราลืมก่อนพอเราปฏิบัติเราย้อนไปบางทีเราก็ไปสัมผัสอารมณ์นั้นนะ่ะนี่แหละมันต้องเห็นนิโรธก่อน เมื่อเห็นนิโรธแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในมรรคเราก็เจริญเจริญมรรคนะเจริญมรรคก็ไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรหลายๆปีนะถ้าเรามีปัญญาพิ่เราวางเดี๋ยวนี้นิพพานเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แค่วางมันก็พูดง่ายๆแต่ว่าถ้าบารมีไม่ถึงจริงๆมันก็วางไม่ได้ง่ายนะเรียแต่ว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็ใช้คำบริกรรม คำวิ ร, รกรรมที่ไปกําหนดให้มันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นการฝึกสติฝึกสมาธินะเออพวกครูฝากคําเดียวคือเวียงทิ้งไงคือเข้าไปในอารมณ์ น, นั้นพรอครูเห็นแล้วว่ามันมีอันตรายเหมือนกันเพราะมันน่าหลงมากมันพิเศษกว่าคนอื่นไงนะเราต้องใช้คําว่าเวียงทิ้งนี้เตือนเราเฮ้ยเห็นพวกเวียงทิ้งอย่าไปพิจารณา อย่าไปรู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนถ้าเราเราไปพยยิจารณาแสดงว่าเราอยากรู้เราเอากิเลสไปเห็นธรรมนี่มันเป็นกิเลสหลอกลวงนะใช้กิเลสเพื่อจะไปเห็นธรรมนี่เป็นเป็นธรรมหลอกลวงนะเอาเป็นว่าภาษาเนี่บางทีมันขิดบวกว่าตามรู้ตามดูเห็นไหมตามรู้เพราะอยากรู้ตามดูเพราะอยากเห็น มันกิเลสมันตั้งเป้าไว้แล้วตั้งโจย์ไว้แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มต้นก็ผิดแล้วนะนี่พามันไม่มีอะไรเลยเราอยากได้อะไรแล้วมันมีอยู่แล้วธรรมชาติของมันนะไม่ใช่ไปอยากได้มันนะมีแต่ว่าเรามีหน้าที่เอาสิ่งที่มันกบเกลือนมันอยู่เนี่ยออกแต่ก่อนจกวออกเนี่ยมันเป็นกระแสกลางด้วยมันก็ต้องวัดดวงมันจะทําให้เราเป็นหลงมัน พอหลงปุ๊บเราก็ถูกกระแสะกรรมเก่าตัวนั้นเนี่ยทำให้เราไปสร้างกรรมใหม่เนี่ยเรียกว่ากรรมซอดกรรมต้องระวังมากผู้เจ้าบอกอย่าประมาทในแง่ชีวิตข้างนอกนี่ก็อย่าประมาทชีวิตเข้าไปอยู่ในฐานของวิปนะัสสนาในสติปัฏฐานนี่ก็อย่าประมาทนะเผลอปุ๊บกิเลสมามันตีหัวโปกเลยมันเป็นหน้าที่ของเขานะแต่ที่นี้ถ้าเราไปกลัว เรากลัวถูกตีหัวฉันไม่ปฏิบัตินั่งอยู่เฉยๆดีกว่าปลอดภัยนะเราก็ต้องมันก็ไม่ไปไหนไงยังไงมันก็วางไม่ลงบางคนบอกฟังเทศปุ๊บวางได้ดันดีวางเดี๋ยวนี้เนี่ยว่างเดี๋ยวนี้นิพพานแสดงตัวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากนะแต่มันกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราถูกเราเป็นหนงติดมาแล้ว <นะ S 1> ที่บอกว่าจริงๆแล้วจิตเดิมแท้มันไม่ได้ติดอะไรนะ มันเป็นประพัฒสอนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรต้องหวางแต่ตอนนี้มันเป็นหลงติดถูกปุงแต่งขึ้นมาแล้วไงไอ้ตัวนี้แหละทำให้ระวังไม่ลงแค่นั้นเองนะนี่แหละทึบอกว่าอย่าไปกลัวว่าเราไม่มีสติอย่าไปกลัวไม่สมาธิเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เราไม่ค่อยใช้มันไม่ใช่ไปฝึกนะใช้มันเลยใช้มันมา เนี่ยมาใช้มันโดยเอาอารมณ์เนี่ยเอาธรรมารมณเนี่ยนะทํามารม์ทั้งภายนอกตัวเราเนี่ยกับธรรมารมณภายในชีวิตจริงเราเนี่ยนะใช้สติรู้เท่าทันอารมณ์แต่ตอนนี้ทำบางครั้งมันขาดสติเพราะอะไรที่มันถูกเขาหลอกเพราะอะไรมันแฝงด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้เห็นไหมมาเขาก็มาหลอกเราเราก็ขาดสติแล้วก็ถูกเขาหลอก อันนั้นข้างนอกส่วนข้างในนี่เราเข้าไปข้างในปุ๊บไอ้ธรมมรมลมของเราอยู่ข้างในที่เป็นกระแสกังไม่ดีมันก็จะแปลงร่างมาในรูปของสิ่งที่เราชอบมากพระครูถึงบอกว่าคุณพ่อลอยมาเหบี่ยงทิ้งคุณแม่ลอยมาเหบี่ยงทิ้งพระพุทธองค์ลอยมาเหบี่ยงทิ้งเราไม่มีเวลาไปแยกแยะว่าของจริงของปลอมฮนะ นะถึงจะลอยมาของจริงพระพุทธองค์ลอยมาของจริงนะนะแต่พระองค์ไม่เคยสอนให้เราไปยึดติดที่พระองค์พระองค์อาจจะมาทดสอบเราก็ได้คำว่าเวียงทิง้งไม่ได้แปลว่าเราลบหลู่นะไม่ใช่เวียงวความยึดมั่นหรือมั่นทิง้งนะเนี่ยเวลาเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยต้องใช้สติดำเนินไม่ใช่ไปเจริญสตินะเจริญสติเนี่ยถูกกระแสะกรรม นะที่มันแฝงอยู่ในธรรมะลมตรงนั้นอ่ะมันจะแปลงร่างเป็นคำว่ามารเนี่บางคนไม่เข้าใจว่ามันเป็นเป็นยักษ์เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่มากิเลสมาตัวนี้มันคือมันจะมาในรูปของนิวรณ์บ้างนะรูปของสิ่งที่เร า, เอาชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะมาหลอกเราหมดนะเราต้องใช้สติเบี่ยงทิ้งให้ทันไม่ใช่เจริญสตินะไม่ใช่เข้าไปในนั้นอยากรู้อะไรนะ คนมีปัญญาไม่ใช่กับว่ารู้มากรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์แค่นั้นพอละนิพพานมันมันอยู่ใกล้ๆเองนะมันมันแ่ใกล้ๆภาษาใกล้ๆก็ผิดอีกแล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆด้วยมันมีอยู่แล้วข้าไในมันมีอยู่แล้วแค่พลิกจิตแค่นั้นเองนะอย่าไปหลงว่าอู้อยากไปนิพพานต้องไปจองตัว๋วจองคิวอะไรเนี่ย ต้องไปเดินทางไปเมืองนี้ผ่านอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่เราถูกสอนในทางโลกว่าเออ่ต้องเรียนรู้หนนเรียนรู้นี่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้รู้ทุกวันนี้ที่เราทุกอยู่ที่เราเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเป็นหลงรู้เราเป็นหลงกับความรู้นั่นน่ะะคาว่าโลกปวดหลงไม่ดีอยู่แล้วเมื่อเป็นหลงตัวรู้รู้ว่าได้เปรียบดีรู้ว่าชนะดีรู้ว่ารวยดีนั่นแหละตัวนี้มันทําให้เราทุกข์ไง เรารู้ผิดมันไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างหนึ่งนะพรอครูบาอาจารย์ที่เคยทุดดงมาที่นี่เป็นคุณหมอเหมือนกันไม่ใช่พระหมอนี่นะ่อีกรูปหนึ่งท่านมีปัญญาเยอะมากท่านก็ไปมาเยอะละนะมาสนทนากับพ่อครูอยู่พ่ก่ครูก็บอกว่าถ้าใครอวดว่าตัวเองรู้รไม่รู้จริงนะมันไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง ทุกวันนี้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราไปรู้รู้ว่าเราชื่ออย่างนี้รู้ว่าอันนี้เป็นของเรานั่นเป็นของเรารู้ว่านั่นดีนั่นชั่วนะ น, นันน่นไม่ใช่ความรู้จริงมันไม่มีอะไรให้รู้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งมันเป็นอนิจจ์เรารักษาไว้ได้ไหรอทุกวันนี้เราไม่ค่อยรักาษาชีวิต เราทำลายชีวิตตัวเองเรามีแต่ไปรักษาโรคถ้าเรารู้จักรักษาชีวิตโรคมันก็ไม่เกิดเรามาแก้ที่ปลายเหตุ น, น, นั่นแหละ่ะเราทำลายชีวิตกลัวมันตายช้าคิดเยอะๆกินแต่อร่อยอร่อยแทบแทบเข้าไปนะเสพน่นเสพนี่เราทำลายชีวิตแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บค่อยไปรักษาโรคอย่าไปรักษามันโรคเบี่ยงโรคทิ้ง อย่าไปรักษามันเบียงทิ้งเห็นไหมชีวิตแทนที่จะรักษาไม่รักษาแต่ไปรักษาโลกทั้งหมดคือเรารู้ผิดคือชีวิตนี้เราต้องดูแลรักษาเขาตามอัตภาพนะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เรารักสังขารเพราะองค์สอนให้เรารักสังขารในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราทรมานสังขารเรามีหน้าที่ดูแลเขาตามอัตภาพเพราะเขาคือเครื่องมือ ในการเดินทางของเราอย่าไปหลงมันมากมายนะนะโอ้ยแต่ต้องตัวฉันไม่ได้เนี่ยเจ็บมากนะเจ็บตัวฉันคือมาแตกกันเนี่ยฉันเจ็บนะจริงๆแล้วร่างกายมไม่รู้สึกเจ็บหรอไอ้ที่มันเจ็บคือความโง่ของเรานะจิตมันเป็นหลงติดว่าตัวกูนั่นแหละกูก็เลยเจ็บจริงๆแล้วร่างกายมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเนี่ยไอ้ตัวเองนะนะ ใส่ตัวตัวรู้ที่เราไปหลงมันเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมเออสมมติว่าเพื่อนสนิทเราตีเราทีหนึ่งบักแรงหนึงเราก็หัวเราเอ้ี่นี่เล่นแรงนะไมเห็นโกรธเลยผัวรี่นี่มันแค่ด่าเราเบาเฉีดเฉียดหูนี่เกือบตายเลยใช่ไหมใช่ไหมขนาดตัวกูเนี่ยเขาไม่ได้แตะเลยนะเขาแค่พูดเฉียดเฉียดลงมันผ่านหูเฉยๆ เ, เนี่ยแทบข้างตายเลยอ่ะนะ อันนี้พระภูกิเอยากจะทุบตวนพวกเรานะปฏิบัติไปอย่าเพลินนะอย่าไปหลงอยู่ในอารมณ์นั้นนะสักแต่ว่ารู้มไม่ใช่ไปตามรู้ด้วยถ้าเราไปตามรู้ ม, มันแสกไว่อยากรู้เนี่ยมันจะเผลอถูกดึงเข้าไปเพราะเราอยากวิจัยไงโดยเฉพาะไอ้เพ่งพิจารณาเนี่ยนะไอ้เพ่งเพราะอยากเห็นพิจารณาเพราะอยากรู้นั่นแหละแฝงด้วยกิเลสทั้งนั้นนะะใช่ไหมไม่มีอะไรให้รู้ เห็นภพศึกษาว่ารู้เบี่ยงทิศบางทีมันจะฝืนหน่อยหนึ่งเพราะว่ากิเลสเราไอความอยากรู้เรามันมีนะแม้กระทั่งอยากไปช่วยคนมันก็มีมันจะดึงเข้าไปเลยฝืนมันถ้าเราฝืนได้เนี่ยสติเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสติแข็งแกร่งขึ้นอารมณ์นั้นน่ะมันก็สั่งเราไม่ได้มันก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไปสนองมันเมื่ อ, อไหร่นี่สติเราไม่มีวันแข็งแกร่งอารมณ์นั้นแข็งแกร่งขึ้นมันออกลูกออกหลาน การฝึกจิตไม่ใช่เป็นสนองตังหาสองอสนองอารมณ์นะต้องเป็นการฝืนกิเลสชีวิตข้างนอกก็เหมือนกันต้องฝึกคำว่าคาว่ามรรคนี่ก็ต้องฝึกไม่ใช่เป็นสนองกิเลสกิเลสมันไม่ยอมให้หรอกมันจะหวงมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหมพระเจ้าถึงบอกต้องให้ทานไงเอาทานเนี่ยมาฝืนกิเลสตัวโลกข้างนอกก็ต้องปฏิบัติต้องเจริญมรรค ไม่ใช่อ่านหนังสือไปรู้หมดเลยแต่ว่าทำไม่ได้จเจริญ ม, มากข้างนอกแล้วก็จเจริญ ม, มากข้างในแต่ข้างในนี้ก็สาคัญนะต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ทุกขบวนการที่เรามีอยู่เนี่ยดำเนินดาเนินใช้พลังทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยดาเนินโดยใช้ทำในทำธรรมรมตัวนี้เนี่ยคือฐานที่ตั้งแห่งการตรวจสอบพลังของเรา อันนั้นเกินขั้นตอนที่จะไปเจริญสติจเจริญสมาธินะไม่ใช่ขั้นตอนไปไปไปออกกําลังกายนะขั้นตอนที่หลงสนามแล้วไม่มีเวลาไม่มีลไม่มีเวลาไปไปฝึกนะคือใช้ศักยภาพเราทุกอย่างเนี่ยไปดําเนินมาทั้งไหนนะถือว่าให้เข้าใจเรื่องคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าไปถึงธรรมเข้าไปถึงธรรมในธรรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ยังไปเพง่นเพงนู่นเพ่งนี่เพ่งอะไรอยู่ยังเป็นแค่ขั้นตอนฝึกวิชาจเจริญสติเท่านั้นเองยังปฏิบัติธรรมไม่ได้นะปฏิบัติธรรมก็คือว่าเข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์เดิมในอดีตคือทําในธรรมนั้นแต่คําว่าเรียนรู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เราอยากรู้นะรู้อะไรรู้เท่าทันอารมณ์นั้นคล้ายๆเรายิงเป้าบินนั่นแหละเห็นปุ๊บยิงเลยไปเพ่งพิจารณาไม่ทันนะมันตกก่อน มันจะตกเป็นวิจัยเวทนาเกิดขึ้นก่อนนะสักแต่ว่าเห็นเออเห็นแล้วเบี่ยงเบี่ยงทิ้งนะคําว่าเรียนรู้ที่นี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าอยากรู้จะไปวิเคราะห์วิจัยแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรทีนี้มันดึงเป็นเป็นสายเลยน ะ, ะเข้าไปเลยเข้าไปในโพเข้าไปในถ้ำออกมาไม่เป็นเลยนะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้อ ง, ตอ ง, ตองเตือนให้มีสติผู้ทธองค์ก็เตือนอยู่เรื่อยว่าอย่าประมา เราจะถูกกิเลสความอยากของเราแหะมันหลอกทุกคนมีความอยากรู้เหมนเลยทุกคนมีความอยากเห็นทุกคนมีความอยากพิเศษกว่าคนอื่นใช่ไหมละ่ะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันก็จะแปลงร่างมาว่าเธอยิ่งใหญ่มากเธอเก่งมากเธอมีฤทธิ์เธอเป็นโน้ตเธอเป็นนี่นะพวกกูจะบอกนะเพเพราะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราถึงได้มาเกิดอีกไงนะ ถ้าไม่อยากตึงต้องเลิกเป็นซะนะเวี่ยงในความเป็นทิ้งทั้งหมดแต่ไม่ใช่เราเวี่ยงแล้วมันก็จะทิ้งนะมันก็ต้องใช้เวลาดําเนินเนี่ยใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีไม่ต้องไปเริ่มฝึกใหม่นะไม่ใช่ไปเรียนวิชานูน ว, นวิชานี้ไม่ใช่นะพเพราะคูถึงเน้นว่าที่ศูนย์เนี่ยพ่อครูไม่ได้สอนวิชาอะไรเลยเห็นไหม เรากําลังปฏิบัติธรรมกันเราไม่ได้สอนวิชาอะไรเลยเราไม่ได้ฝุกวิชาอะไรเลยเรากําลังดําเนินต้องต้องต้องเข้าใจนะส่วนคนที่เขายังไม่เข้าใจเขาก็เคยชินกับตัวนั้นเขาจะพูดอะไรบ้างนะเขเขาก็มีปากเขาก็ต้องพูดเขามีความหวังดีของเราเขาก็ต้องเตือนนะเขาก็พูดไปหูเราก็ได้ยินเราก็ฟังไปแต่จะเชื่อหรือเปล่ามันอยู่ที่เรา และสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรากําลังเดินอยู่เนี่ยกำลเดินทางนี้อยู่เนี่ยถ้าเขาไม่มาสัมผัสเองเนี่ยยิ่งอธิบายยิ่งเลอะเลือนเพราะเขาไปติดบ่วงตรง น, นั้นตลอดปีตลอดชาติเกิดมาเขาก็สอนอย่างนั้นไงให้ปฏิบัติธรรมไปไปเข้าค่ายห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันนะแล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปฝึกวิทยายุทธไปเจริญไปฝึกสติไปไปฝึกสมาธิแล้วบอกว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจผิด ไม่เห็นธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้ธรรมนี่คือธรรมในธรรมล้วสังเกต ด, ดูไปเพ่งกายภาพเพ่งอริยบทนะอยู่ที่กายในกายนะไปเพ่งเอาแ ล, แล้วก็ไม่เห็นกายจริงๆนะถ้าไปเพ่งแค่ว่าอริยบทให้มีสติให้มีสมาธิอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ทําให้สมาธิแข็งขึ้นสติแข็งขึ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์เราเดินอะไรเรามีสมาธิเรามีสติอยู่แล้ว นั่นเราไปฝึกตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ไม่ต้องเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแต่ที่ผ่านมาอย่างพวกเด็กๆสมาธิสั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเขาไปถูกครอบกําโดยอย่างอื่นมันไปสนใจอย่างอื่นที่ทําให้จิตมันไม่นิ่งเ <นะ S 1> ขาฝึกถ้าเขาใช้สติบ่อยๆใช้สมาธิบ่อยๆสมาธิสติที่เขามีอยู่แล้วหลายภพหลายชาติเนี่ยมันจะแสดงตัว ถ้ายๆเราลงสนามแข่งไปบ่อยแล้วก็ชำนาญขึ้นไม่ใช่เป็นฝึกจิ่ตรงนั้นมันไม่เคยลงสนามเลยเนี่ยเราต้องลงไปฝึกเลยก็โดด เ, เข้าไปแข่งในสนามเขาไปแข่งในในชานของจิตเข้าไปแข่งไปใช้คู่แข่งเราก็คือทำในทำทำอารมล์ต่ า, า, างๆ ท, ที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันมันเร็วนะเราเผลอปุ๊บเนี่ยมันตีหัวพกเลยนะแล้วบังเอิญมันแวงด้วย กระแสกรรมอยู่ข้างในนั้นด้วยเราต้องรับกรรมนะถ้าเราใช้สติบ่อยๆเรารู้เท่าทันกรรมนั้นมันก็่อนหนักเป็นเบานะถ้าเรากลัวเราก็พลาดโอกาสนะแต่ถ้าใครมีปัญญาเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต้องปฏิบัติธรรมด้วยก็แค่วางไงมีปัญญาจึงวางทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่มันหนักไงเราก็วางสิวางเดี๋ยวนี้นี่ผานแสดงตัวเดี๋ยวนี้ วางพวกนี้ก็แสดงพวกนี้แต่ว่ามันรู้อยู่เหมืนวางเมนูบางทีก็ท่องจำเอาว่าฉันวางแล้วฉันว่างเป็นหมดเลยอะไรอะไรอก็สร้างอุปทานขึ้นมาใหม่มาปกเกื่อนเหมือนเราว่างจริงๆแต่มันไม่จริงมันเป็นว่างหลอกมันเป็นอุปทานใหม่นะโอ้ฉันนรรลุละฉันมีโลดละฉันฉันอะไรก็ไม่ใช่ฉันฉันวางหมดแล้วนะอันนั้นอันนั้นเป็นอุปทาน นะมากบเพื่อนอารมณ์ที่มันมีอยู่เท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าฉันว่างจริงๆมันไม่ใช่นะะอันนี้ก็เป็นตัวหลงอย่างหนึ่งนะบางทีก็มีมีหลากหลายแต่ละคนนะพ่อครูก็จะเตือนพวกเราเป็นช่วงๆนะบก็ดําเนินอย่างนี้นนไปดําเนินไปเพียงแต่ว่ามีสติอใช้สติตัวนั้นนะรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ปุ๊บสักแต่ว่ารู้เบี่ยงทิ้งอย่าไปพิจารณาอย่าไปตามรู้ เสียเวลาเปล่าไม่มีอะไรให้รู้แล้วเราจะไปติดบ่วงความรู้นั้นนะถ้ามันไม่เก่งจริงมันหลอกเราไม่ได้หรอกมันต้องแสดงว่าโอ้เธอนี่สุดยอดเลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานนะบานะมันกิเลสปัจจุบันนี้มันชอบอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็ส่งเสริมเลยไงพอส่งเสริม้าไปปุ๊บมันก็จะลองวิชามาแล้วทีนี้นะทีนี้ยุ่งเลย กำใหม่ไหลามาเป็นมวลๆเลยเต้นไปหมดเลยนะนะก็ก็ก็ให้เข้าใจนะแต่ก็ฟังแล้วก็อย่าไปกลัวมากมายจะเกิดวิตกจริตแล้วก็ไม่กล้าดําเนินต่อไปอีกถ้าเราตั้งมัน่นมีความตั้งมัน่นมีศรัทธามีความบริสุทธิ์แล้วอย่าไปกลัวบางครั้งกระแสะกรรมนั้นอนะ่ะครอบงาเราสักชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราตั้งมัน่นบริสุทธิ์จริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้นะผ่านไปได้พยายามฝืนหน่อยนะออารมณ์จิตมันอยากให้ไปทําโน่นทํานี่เวลาอยู่ข้างในกรรมฐานเน่ะต้องใช้สติฝืนมันนอกจากฝืนไม่อยู่มันแวบบ้างพอสติมันตื่นขึ้นมาอีกก็ต้องดึงมันกลับมาไม่ใช่เป็นสนองมันนะสนองก็สนองก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ไปไหนล่ะไปเพิ่มอุณภูมิของอารมณ์นั้นให้มัน มันแรงขึ้นแรงขึ้นนะเออแทนที่เราจะใช้สติไปรู้เท่าทันมันเราใช้สติไปตามมันนะอันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งเสียหายใหญ่เลยอันนี้พระครูก็เอ่อมาบอกกล่าวบางบางช่วงอารมณตรงไหนต้องพูดเรื่องอะไระวันนี้ก็พูดเรื่องกายสามและช่วงที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันจะมีนิวรณ์ต่างๆ่นะ ที่บอกว่ามานมานมานนันเนี่ยนะก็คือนิวรณ์ต่างๆ่างนะเริ่มจากตัวง่วงหาวหาวนอนที่ขนาดตัวนี้ยากที่สุดเลยวันนั้นมีญาติที่ทำมาคุณมนุษย์พามาจากกรุงเทพเป็นข้าราชาการเกษียณก็ท่านตั ว, นวนนอ้วนนอนหนึ่งไปท่างคุยกับพวกครูก็หาวอยู่นั่นแหะหาวอยู่ตรง น, นั้นแหละมันไม่เข้าไปข้างในเลยเห็นไหมมันขวางกันทําให้เราไม่เห็นวิจต์ชัน องค์ชาตัวแรกตัวพวงนอนนี่อยากที่สุดเมื่อเราไม่เห็นวิตกแล้วเนี่ยเราก็ผ่านองค์ชานวิตกนี้ไปไม่ได้ไอตัวนี้อยากมากแล้วตัวที่สองลงมาพวกตัวลังเลสงสัยอันนี้นักรู้ต่างๆเนี่จะมีตัวนี้เยอะนะพวกนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆเนี่ยจะลังเลสงสัยไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ขวางกัน วิจารนะเป็นนักวิจารผู้ยิ่งใหญ่นะวิจารเท่าไหร่ก็สร้างกรรมมากแค่นั้นเจ่ะไหมเราจะดับตัวนี้ได้เราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้นะทีจริงแล้วไอ้คาว่าเวี่ยงทิ้งเนี่ยมันมั น, ม, นมันเอาออกหมดจะต้องมีสตินะแล้วก็ตัวพยาบาทตัวนี้ก็แรงมากนะมันเป็นความไม่พอใจเป็นความ อันนี้มันแฝงด้วยคล้ายๆว่ามีจิตใจพยาบาทฝังแน่นเอให้อภัยไม่ได้อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะมีอารมณ์ตรงนี้นะอตัวนี้เนี่ยพี่บอกว่ามันไปนกบองค์ชาตัวปิติมันพยาบาทจิตใจมันมันไม่พอใจอนะนะออมันไปนกบเผื่อนตัวปิติองค์ชาติเข้าใจไหม ไอ้ไ้นิวรตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งขวางกั้นทําให้ฌานเหล่านี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันเป็นมันเหมือนทีละขั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกถ้าเราดําเนินไปเนี่ยมันจะแยกไม่ออกนะเพียงแต่ว่าในแง่วิชาการนั่นี่ยเขาก็จะแยกแยกเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วก็ไม่ใช่ต้องไปฝึกทีละขั้นทีละขั้นแบบนั้นไม่ใช่บางทีมันตีกลับไปตีกลับมาอะไรนะอารมณ์ตัวนี้มันเกิดได้เดี๋ยววันนี้ก็ง่วงเหงาเหานอนพวกนี้มาตารังเดี๋ยวกลับมาง่วงเหงาเานอนใหม่อย่างนี้นะไม่ใช่มัน ไปคลียรทีละอย่างทีละอย่างอย่างนั้นก็จะว่าเขาชี้ให้ดูว่าถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปกั้นบังตรงนี้นะไอ้ตัวนี้ก็ก็อันตรายเหมือนกันนะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมาในรูปของนิวรณ์เป็นสิ่งขวางกั้นทำทำให้จิตมันก้าวไปข้างหน้าไม่ได้น ะ, นะและไอ้ที่ไปกั้นบังความสุขนี่ก็คือความฟุ้งซ่าน นะความพุ้งซ้านลำคางใจนะนะมันทําให้องค์ชาตที่เป็นความสุขเกิดไม่ได้คนเรากําลังพุ้งซ้านกําลังลำคางใจอยู่มันจะสุขได้หรือเปล่าไม่ได้นะถ้าเราดับอารมณ์ตัวนี้ได้สุขมันเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ฆ่าสุขซะถ้าไปติดสุขตัวนั้นไม่เป็หนเองนะเห็นไหมตัวสุขก็เบี่ยงทิศก็ไม่เอาเห็นไหม ที่พวกปดเตือนสุขก็เบี่ยงทิ้งทุกข์ก็เบี่ยงทิ้งดีก็เบี่ยงทิ้งชั่วก็เบี่ยงทิ้งไงแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเราจะไปเวียงอะไรทิ้งมันถูกอารมณ์ยมอยากพวกนี้เนี่ยกั้นบังไว้อยู่เนี่ยอารมณ์องค์ชานเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวขวางกั้นทําให้สุของค์ชานนี้แสดงตัวไม่ได้ไม่ใช่เราต้องการให้มันเกิดสุขแล้วเป็นหลวงมันนะให้มันแสดงตัวแล้วเราตีมันเลยคล้ายๆเราเวี่ยงมันทิ้งเลยสุขแต่ก็ไม่เอา ถ้าเราไปติดสุขนี่เราก็ผ่านไปอีกไม่ได้ใช่ไหมตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวนี้อันตรายนะหลายคนก็ผ่านยากนะที่บอกว่าเอกคตาลมคือทําให้จิตเป็นหนึ่งเดียวที่สงบนิ่งตัวนี้สงบนิ่งไม่ได้เพราะว่าจิตเราไปติดอยู่ที่กามะมาชันทะก็คือจิตที่กามะมาคุณทั้งห้ารูรสกลิ่นเสียงสัมผัส เออชอบนวดนวดนวดนวดนวนวดนั่นแหะชอบสบายสบายสบายสบายนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตัวนี้ก็ทำให้เราติดถ้าเรามีอารมณ์ติดที่กามมาฉันทาตรงนี้แล้วเนี่ยมาทำให้จิตสงบนิ่งได้ยากนะติดสวยติดงามติดอร่อยติดอะไรพวกนี้น่ะนี่ติดกามคือกามาคุณทั้งห้าคือติดรูปติดรสกลิ่นเสียงสัมผัส ไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งขวางกั้นนะ อ, องค์ชานซึ่งเป็นเรียกว่าเอกคตาลมที่มันมีความเป็นหนึ่งเข้าใจไหมเบียยบังเอิญว่าเราบุญเยอะแล้วเรามาเจอวิธีเบี้ยทับเดียวมันเป็นหนึ่งแล้วมันผ่านองค์ชานทั้งสี่นี้เข้าไปได้ทั้งกัน แ, แรกเนี่ยเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ดําเนินเข้าไปในทรงในธรรมแล้วก็ปฏิบททัติธรรมโดยเอาธรรมบรมตัว น, นั้นน่ะมาเป็นฐานแห่งการ ตรวจสอบสติเราตรวจสอบปัญญาเราตรวจสอบสมาธิเรานี่คือมรรคนะมรรคข้างในนะให้เข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติทำแล้วไปฝึกสติฝึกสมาธิอะไรพครูจะเน้ น, นเรงนี้เยอะๆเพราะว่าพ่อครูดูแล้วที่ทกวันนี้เนี่ยมันมันเข้าใจผิดหมดนะแต่ถ้าดีที่สุดนะมีปัญญาปิ้งเดียววางเลยดีกว่าตาโตรีต่เลยนะ เพรช่วงที่เรายังๆๆอยู่เนี่ยบางทีมันปิ้งเดียวมันไปเลยได้นะแต่ถ้าเราอยู่มัวจะเป็นหลงติดกับอารมณ์นั้นอยู่เนี่ยมันไม่มีทางปิ้ง เ, เพราะว่าเรายังถูกกิเลสความอยากของเรามันครอบอยู่นะนะให้เป็นส่งเสริมอารมณ์นั้นนะถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตลอดเนี่ยโอกาสปิ้งเดียวตาโตลีเลยเนี่ยมีสูงมากนะให้ความเคารพนะโอเคนะคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนจะได้มีเวลาปฏิบัติ เ, ย, เยอะๆหน่อยนึง